อริยบัญญัติบนเป็นวอลซื้อเว้าต้องใจต้องเห็นต้องรู้ต้องสัมผัสนําอีกตึมที น, นึงอันวอานั้นที่แท้พูดแต่กับวอลเปลี่ยนเนีอันว่าสมมติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัฏฐบัญญัติอนิยบัญญัติเนี่ยแต่คนแท้บนมีผู้วอาบุรุษจีมีผู้วอาเน่ยพ่อกระบอกหัจั ก, กเนี่ยพ่อโบเคยได้ยินเนี่ยพ่อไปปฏิบัติเน่ยพ่อรูเ้เน่ยพ่อจึงเอาเจ้าขอ ง, ของวอาวเนี่ยพ่อมาว่า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 ปรามัดแปลวของจริงได้จริงโดยสมมุติคำว่าจริงโดยสมมุติไี่หมายความาในมันเป็นจริงแต่มันแก้ถูกบดได้เพิ่นเอิญว่าเป็นสมมุติสมมุติเอิญปรามัดที่ว่าสมมุติบัญญัติปลามัติมันอัฐาบัญญัติอะไรนั่นตามครูบาอาจารย์เพิ่มอัถาเพิ่มว่าได้แกอริยมรรคองค์มรรคแปดอะนั่นอัถาแปลว่าลึกยากบุคคลจะรู้อะไรนั่น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 ไปนอนนากับพอพอกันเลยให้ไปติดไฟไปต่อไฟหรือไปจุฟไฟวายจะไหนหู้ยพอบุ้งหุจักภาษาทางกรุงเทพ่าแล้วเอาไปให้พอสูบไล่ินไลยุงไถนาอย่าพ่อไปปฏิบัติแล้วอย่าพ่อหลุลดอย่าพ่อเลิกแต่เมื่อนั้นเลิกโดยบุมงเหตวายฝังหลดุดอย่าพอบอ่อผจญวาให้เอามากินตึม้มมาสูบตืมได้ดีเด้ท่าดีกับตำซาผู้ อ, อื่น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 หากเป็นค า, าวาะญาณโยมปฏิบัติธรรมะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงแล้วท่นเป็นเพศค า, าวาะอยู่บกเกินเจ็ดวันตายเลยสมบูรณ์ต้องไปบวชเออนั้นต้องไปบวชเป็นพระถือเพศเลืองยังมีอายุอยู่ได้ดังนั้นมูเมออกพอออกผู้สายนะผู้ยิงคือกันจึงบ่อยากปฏิบัติธรรมะยานตายเนี่ยพ่ อ, พอบ่กลัวตายอย่างนั้นเนี่าพอ่อรู้แล้ว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 แปลความเห็นถูกต้องคันท้าโบเห็นทุกอันนี้แนละ้วโบเมียนถูกต้องถูกต้องแต่ตำลาซื้ออันสมาธิิสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมันตาสมาอันนั้นมักแปดทำการงานสอบผูอ้อมตำลาเว้าได้อนั้นโบเมียนคือยอย่างเพราะว่าเห็นทุกต้องต้องเห็นตัวเหายัางเม่ออกนั่งอยู่ดี๋ีเนี่ยผู้ดใด น, นั่งจังไงก็ต้องเห็นตัวเห่าพิษตาอยู่ดี๋ยนี้ก็ต้องเห็นตัวเห า, า, เเหเหาจริงถูกต้องเตะ ทำดีก็เป็นตัวเหาทำทำซั่วก็เป็นตัวเหาทำเนี่ยทุกต้องเทจิ๋จวได้ต้นทางแล้วเบิ่เนี่ยรู้จักแล้วเบิ่เนี่ยข่มโลภข่มโกธรงลงก็เบาลงได้ต้นทางคือได้ต้นความคิดนี่เนี่ยมักเป็นผู้ปฏิบัติสันเป็นข้อปฏิบตัติหรือเป็นผู้ปฏิบตัติโตเฮานี่ปฏิบตัติปฏิบัติจังซีให้จังซีจึงเขาเ้าใจงี่มักต้องทำบ่อยๆเบิบ่มักไปว่าเบิง่งหนูพ่อว่าอย่างสั้น